นาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฝังธรรมเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่นั่งได้ทั้งนั้น เอาขาขวาทับขาซ้ า, ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เกียงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกเวลาฟังธรรมเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาสาคัญเรียกว่าเป็นเวลาตั้งใจ ไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอาการภายนอกเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ให้ใจนั่งอยู่ที่นั้นภาวนาอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไปตามอารมณ์ต่างๆอะไรอะไรทั้งหมดถ้าใจเราสบายเรื่องต่างๆมันไม่มี มีแต่ความสบายท้งนั้นคือใจธรรมบุญภาวนาใหม่นี่เรียกว่าใจธรรมบุญภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเรานึกพุทธโธ ร, รวมใจให้มาอยู่ในตัวในใจของเราตามลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่ให้ออกไปภายนอก อันเน้และทำใจให้สบายให้มีความสุขเป็นต้นทางที่ว่าต้นทางเดินทางที่เราจะเดินทางไปสู่สวรรค์เทวโลกพร ม, มโลกที่ไหนก็ตามถ้าหัวใจเรามาสงบระ ง, งับนี้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เย็นสบายไปหมดความเล่าร้อนความทุก ความปรารถนาใดๆที่มันไม่สมหวังทุกอย่างทุกประการเป็นมาแล้วถ้ามาทำใจของตนรวมจิตใจของตนไนดะ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องหันเหมาสู่ความสุขกายสบายใจเรียกว่ากายมีความสุขกายก็ไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บมากมายไม่รุนแรงเกินไปแล้วว่ามีเวลา ไหว้พระสวดมนต์ได้ได้โอกาสได้เวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิได้ธรรมดาร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านั้นเป็นของไม่ทนทานไม่ใจววาได้มาแล้วจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหร อายุสังขารรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนี้ร่างกายมนุษย์จะอยู่ได้กว่าร้อยปีส่วนมากก็ไม่ค่อยถึงชื่อว่าเป็นสังขารที่ไม่คงทนเพราะตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วเกิดมา ความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาต่างๆมันก็ครอบงําสังขารร่างกายรูปร่างกายนี่มาโดยลําดับเราจะไปคิดว่าให้กายสบายเสียก่อนจึงภาวนาให้จิตใจสบายเสียก่อนจึงภาวนาได้อย่างโน้นแล้วได้อย่างนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้แล้วจึงภาวนาไม่ทันการเวลา การภาวานานี่ให้เราถือว่าทุกิริยาบทเยินก็ภาวานาพุทธโธได้เดินก็ภาวานาพุทธโธได้นั่งนอนก็ภาวานาพุทธโธได้พุทธโธพระพุทธ เ, ทเจ้านี้ให้นึกให้เจริญไว้โดยย่อคือว่ามันนึกง่ายเจริญง่าย พุทธโธอันเดียวก็คือว่าธรแปดม8 4นสี่พันพระธรรมขันธ์กิอยู่ในพุทธโธนั่นแหละถ้าไม่มีพุทธโธไม่มีพระพุท ธ, ธเจ้ามาเกิดในโลกมาตรัสลูในโลกแล้วอะไรอะไรก็ไม่มีทางนั้นเละเพราะว่าพระพุท ธ, ธเจ้าไม่มีเมื่อมีพระพุท ธ, ธเจ้ามีพุทธโธบังเกิดมีขึ้นแล้ว อะไรก็มีขึ้นมาพร้อมทางนั้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาสอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมพร้อมด้วยเทวดาอินพรหมทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนตักเตือนนับตั้งแต่ปฐมเทศนา ตรัสสอนพระปัญจวัคคีฤสีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลจนถึงพระนิพพานแล้วก็ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมพระองค์ตรัสแล้วมีพระอริยสงสาวกเป็นหลักฐานพยานว่าพุทธศาสนาพุทธเจ้าพุทโธมีหลักเอียองอิง ไม่ใช่เสกสรรอ๋อมันมีความจริงพระพุทธเจ้าก็มีในโลกแล้วพระธรรมก็มีอยู่ในโลกพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายก็มีอยู่ในพุทธศาสนามีอยู่ในโลกหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าและภาษาวกเจ้าทั้งหลายก็ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปที่ไหนก็เทศนาธรรมสั่งสอนโปรดสัตว์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีศรัทธาเลื่อมใสสร้างวัดสร้างวาปฏิบัติภาวนาให้เจริญในสมัยนั้นสมัยนั้นจึงเจริญรุ่งเรือง แพภัยศาลทั่วไปทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมพุทธศาสนาก็เลิว่ากึกก้องไปหมดไม่ว่าที่ไหนนั่นแหละคือว่าการปฏิบัติบูบชาภาวนาพุทธโธนำใจของาาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธการโน้นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ย่อมมีอยู่ในใจของท่านการระลึกถึงพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเต็มใจของพุทธบริษัทในสมัยนั้นนึกถึงคุณพระอริยสงฆ์ไม่ใช่นึกอย่างเดียวพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในสมัยก่อนโน้น ท่านปฏิบัติภาวานาด้วยไม่ใช่นึกถึงคุณพระสงฆ์อย่างเดียวท่านทำจิตทาใจละกิเลสความกรอดรอบหลงของท่านเป็นพระอริยสง์สาวกในพุทธศาสนาย่าว่าแต่พระสงฆ์สาวกนักบวชภิกษุภิกษุณีคารวาดญาติโยม ท่านก็ปฏิบัติภาวนานอกจากการทำบุญสุนทานแล้วก็ภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำความดีของตนของตนจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตากินาศในสมัยก่อนโน้นจิตใจของท่านดีเลื่อมใสศรัทธา ภาวานาพุทธโธไม่ขาดเราท่านทั้งหลายที่ภาวานาอยู่นี้พุทธโธคําเดียวก็ยังเรียนไม่ได้ก็ว่าได้คือได้แต่ภาษาใจยังไม่ได้เข้าถึงพุทธโธภายในมันยังเป็นพุทธโธภายนอกอยู่โทรไปโทรมาอย่างนั้นแหละมันไม่สงบไม่ตั้งมัน่นไม่เย็นสบายลงไป ระยังเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาว่าจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติมีการได้ยินได้ฟังก็เป็นอุบายอันสำคัญอันหนึง่งเมื่อได้ยินได้ฟังจดจำได้แล้วก็นำไปปฏิบัติรักษากายวาจาจิตของเรา ให้เป็นไปในธรรมนองครองธรรมแล้วว่าเข้าถึงพุทธะพุทโธภายในจนได้จิตใจเย็นสบายสูงสุดก็เรียกว่าจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานชีวิตแตกดับแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดมาตายมาวุ่นวายอย่างชาวโลกทั้งหลายเพราะว่าจิตใจ ผู้ปฏิบัติธรรมะนั้นย่อมมีความสุขภายในท่านไม่เพียงแต่ว่ายึดถือรูปร่างกายเท่านั้นท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจของพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธกาลขั้นต่อมาสมัยถึงพวกเราทั้งหลายก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าตัวเหล่านี้จเจริญภาวนาไม่ได้ เพราะว่าบุญน้อยวาสนาน้อยความเพียร น, น้อยมันคิดไปอย่างนั้นความจริงแล้วบุญบรารมีบุญวาดวาดสนาบรารมีของคนเรามันมีทุกคนบุญเก่านั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนตาเราดีตาไม่บอดนั่นก็คือบวชบุญหูดีหูไม่หนกไม่ตึงก็คือว่าบุญบรารมีทงนั้น มีปากมีเล่นมีมือเท่าอวัยวะร่างกายทุกส่วนครบบริบูรณ์นี่ละเครือบุญบรารมีเก่าที่คนเราทำมาได้แก่ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากแต่อดีตชาติปัจจุบันชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพุทธศาสนาแม้ไม่ได้พบพระพุทธเจ้า แต่ก็ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆเราเกิดมาก็ได้ยินทานศีลภาวนาเราเกิดมาตั้งแต่เกิดก็ได้ยินการทําสืบสบกันมาให้เราได้รู้ได้เห็นได้เห็นวัดวาศาสนาได้เห็นพระภิกษุสงฆ์สามมันเนนผ้าขาวนางชีลือสี เมื่อเราได้รู้ได้เห็นเช่นนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงพระอริยะสงสาวกเป็นของมีจริงในครั้งพุทธกาเลเดีว่าเป็นจํานวนอสังขยัยอสังขยัย ทำว่าอาสงไขยคือว่านับไม่ได้นับจนนับไม่ได้ให้ชื่อว่าอาสงไขยหนึ่งในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งมาตรัสลู้ในโลกมาสอนมนุษย์และเทวดาอินพรหมให้ประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนไปถึงนิพพาน อันเป็นสถานปลอดภัยอันตรายไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนในโลกมนุษย์และ ว, ว่านับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่น้อยกว่า26อสงไขยขึ้นไปไปสู่นิพพานไปอยู่นิพพานในเมืองนิพพานนั้นจะไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะเมืองนิพพานเป็นเมืองหมดกิเลส หมดความโกรธหมดความโลภหมดความหลงความทุกข์ไม่มีมีแต่ความสุขมีสุขจิตสุขใจอย่างเดียวนิพพานังปละมังสุขขังนิพพานเป็นสุขจะถึงนิพพานได้นั่นกอ น, นี่แหละกลงที่เรามาสงบจิตสงบใจทำใจให้สงบตั้งมัน่นพุโทโธในใจ ตั้งใจบริกรรมภาวนาดูร่างกายสังขารของเราที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอบจิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จะต้องพากายวาจาจิตของเราทำความดีให้ได้มากที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าบาปให้พากันละ ไม่ว่าบาปอย่างใดมันจะเกิดขึ้นที่กายก็เลือกว่าละอย่าตามตา ม, มันอยากพูดทางวาจาบาปนั้นก็ให้ละมันคิดบาปอยู่ในใจก็ละทิ้งในใจก็ให้มีบุญเข้ามาแทนภาวนาพุทธโธไววเนกโยในคนประพุทธประธรรมผระสงในศีลสมาธิปัญญาวิชาวีมุติ ยังจิตใจของตนให้สงบตั้งมัน่นโู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเรื่องกิเลสที่จะพาให้เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อร้อนนั้นให้ตัดทอนออกไปเอาใจดวงเดียวให้ได้เอาใจของเราให้ได้ก่อนถ้าเอาใจเราไม่ได้อันอื่นก็ไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละ เพราะว่าในตัวคนเราแต่ละบุคคล น, นี้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วได้ดวงใจถ้าใจนี้จะเอาอะไรได้ทั้งนั้นถ้าใจนี้แล้วท่อแท้อ่อนแอนมีแต่ใจความโกรธมีแต่ใจความโลภใจความหลงเอาอะไรไม่ได้วายพระก็ว่าไม่ดีสวดมนต์ก็ว่าไม่ดีนั่งภาวนาก็ไม่ดี อะไรมันไม่ดีทั้งหมดถ้าใจไม่เอาหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้เมื่อใจไม่ตั้งแล้วมันก็ลอยเลื่อนหมดนั้นให้ตั้งอกตั้งใจนึกอยู่ในคนประพุทธระธรรมประสงค์นึกภาวนาพุทโธ ร, รวมใจเข้ามาอยู่ภายในดวงใจของคนเรานั้นมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจแล้วทุกทุกคน แต่เดี๋ยวนี้ใจเราไม่มารวมไม่มาสงบไม่มาดูใจของตัวเองปล่อยให้ความอยากความดิ้นลนภายนอกมาทับถมใจจนกระทั่งในหัวใจมันมีแตกกามีแต่กิเลสกิเลสความโกรธก็เต็มตัวกิเลสความโลภ ก, ก็เต็มตัวเต็มใจกิเลสความหลง มันปิดบังไว้จนไม่รู้ทางว่าจะไปอย่างไรเรามาจากที่ไหนมาเกิดนี่ก็ไม่รู้เราตายจากนี้เราจะไปไหนอีกก็ไม่รู้ทางนั้นนี่แหละเรียกว่ากิเลสมันบังไว้ปิดไว้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูบชาภาวนายาได้มีความท่อแท่อ่อนแอในดวงใจตั้งกายตั้งใจขึ้นมา การปฏิบัติภาวนานี้ความจริงก็ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนจะยืนแบบใดเดินแบบในนั่งแบบใดก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเคราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการนั่งสมาธิภาวนาการภาวนานั้นให้นึกให้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือให้ทำอยู่เสมอเสมอนั่นเอง ร่างกายจะไปไหนมาไหนเป็นเรื่องวีบากขันของกายจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าใจของเราให้มีหลักอยู่ในใจไม่มีอะไรก็พุโทโธในใจธรรมโมสังโฆในใจดีกว่าคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนแก่บุคคลผู้นั้นสัตว์ตัวนั้นอันเต็มไปด้วยกิเลส เรื่ว่าในใจของเราให้มีความเมตตาแก่สัตว์โลกอยู่เสมอเราจะไม่เอารัดเอาเปรียบใครมุ่งให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุข ก, กายสบายใจไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ ขอให้สัตว์ทางหลายยาได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยก็คือว่าให้พากันปฏิบัติบูบชาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในภพนี้ชาตินี้แรกก็เรียกว่านึกน้อมอยู่ในคุณพระให้ใจใจดวงผู้รล้อยู่ในตัวในใจใจที่อื่นไม่ต้องไปดูมาดูใจที่ เราฟังเสียงเราได้ยินมีใจอยู่ที่นี้ตาเห็นูปรู้ว่าโลกใจนี่แหละอยู่ที่นี้ถ้าจิตใจไม่อยู่ในร่างกายนี้เหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้มีมือก็ใช้การอะไรไม่ได้มีตาก็ดูไม่ได้ร่างกายเมื่อหมดลมหายใจก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพัง ลงโซ่แผ่นดินทับถมแผ่นดินเท่านั้นเองเมื่อเกิดมาเรายังได้ร่างกายสังขาร น, นี่มาเวลาคนเราตายไปรูปประขันร่างกายอันนี้ก็เอาไปไม่ได้ไปแต่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในเท่านั้นเองถ้าใครทำบาปไว้ก็บาปนั่นแหละจะพาไปสู่นรกอเวจี ใครทำบุญไหว้บุญกุศลที่ผู้นั้นกระทำนั่นแหละจะพาไปไหนมาไหนได้ทั้งนั้นจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็บุญกุศลมันพาให้ไปเกิดไปตายถ้าเราเพียรพยายามไม่ท้อถอยและพร้อมด้วยบุญบรารมีเก่าเราทำมาบุญบรารมีใหม่คือในปัจจุบันชาตินี้เวลานี้เราก็ทำ ผลที่สุดท่าบุญกุศลของเราพร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อได้แล้วจิตใจเราก็สงบประับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเดี๋ยวจิตใจไม่ท้อถอยเดี๋ยวบวชแล้วก็ไม่ท้อถอยบวชแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงจะศึกหาลาเพศอย่างนั้นอย่างนี้ บวชแล้วก็ละลึกถึงพุทธโธพระพุทธเจ้าละลึกถึงสังโฆพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกเจ้าแต่ก่อนนั้นท่านบวชมาแล้วท่านก็ภาวนานี่ยแหละท่านละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยจนกิเลสมันหมดไปกิเลสมันหมดไปสิ้นไปในใจของท่านก็ให้ชื่อว่าพระสงฆ์ ท่านละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิน้นไม่หมดท่านก็ละของท่านไม่ใช่เราไปตามละให้ท่านกิเลสในใจของเราตัวเราใจเราก็ต้องภาวนาอย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปเองไม่มีธรรมดากิเลสมานสังขารมานกิเลสในหัวใจมนุษย์คนเหล่านี้ มันเป็นมารคอยสังหารคุณงามความดีอยู่เสมอนี่แต่มันจะสร้างบาปให้เราหาบให้เราห า, เ า, หามเราแบกเราคอนไปเท่านั้นใจบาปจึงได้ตะยาได้ตามมันไปเอาใจบุญใจกุศลใจภาวนาพุทโทธพุทโทธอยู่ในใจในตัว ดวงจิตดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนั่นเองภายในนี่แหละถ้าเราภาวนาให้ดีก็จะรู้จะเห็นแจมแจ้งภายในจิตใจนั่นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลา แต่เราไม่รวมไม่สงบจิตใจเข้ามาจิตใจมันไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่ในตัวไม่อยู่ในใจก็เลยไปรับเอาความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาของบุคคลผู้อื่นบ้างสัตว์อื่นบ้างใจไม่มาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ภาวนามาอยู่ในตัวในใจใจคนเราจึงได้รอนด้วยลาคกินาโทสกินาโมหกินา ไฟไหม้หัวใจอยู่ตลอดเวลาลระงับดับใจกิเลสของเราไม่ได้เมือ่อระงับดับกิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม่ได้ไม่ลงแล้วไฟกิเลสเหล่านี้มันก็ลลกโหมใหญ่ให้คนเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเกีียวเกาะกังวลอยู่ในโลกในวัตฏะสงสา ร, ร พาให้หลงแล้วก็หลงไปอีกไม่จบไม่สิ้นคือไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาไม่รวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ในจิตในใจก็มีแต่ความหลงความไม่รู้จิตใจไม่รู้นี่แหละท่านว่าเป็นทุกข์ที่สุดทำไมถึงไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ฟังธรรมฟังแล้วไม่ปฏิบัติธรรม ทำแล้วก็ทำเล็กๆ น, น้อยๆมันยังไม่ถึงมันยังไม่พอทำจนให้มากพระพุทธเธ อ, องค์ท่านตรัสว่าทำให้มากจะเลินให้มากพาวิตาบาฮุลีกตายอย่าไปกลัวมันมากโดยเฉพาะการปฏิบัติบูชาภาวานาในใจเอาให้มันติดต่อนอเนื่องอยู่ตลอดเวลา จะกำหนดอะไรพิจารณาอะไรร่างกายสังขารผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงในร่างกายของเรานั่นดูให้เห็นให้เข้าใจใจที่มันลุ่มหลงมัวเมาไปภายนอกก็คือว่าใจไม่เห็นกายไม่เห็นจิตของตัวเองยอมให้กิเลสความโกรธมันพาเป็นไปยอมให้กิเลสความโลภให้เป็นไป ยอมให้กิเลสความหลงาพาไปมันก็ไปตกหลุมตกบอดมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะใจไม่ภาวนาตายไวเตือนใจของเราว่าอย่าเข้าใจว่าเราจะอยู่ในโลกไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเกิดมาแล้วต้องตายไม่ตายเมื่อเด็กก็ตายเมื่อหนุ่มเลยหนุ่มไปแก่ชราก็ไปตายในวัยแก่ชรา เมื่อความตายมาถึงเข้าเราอยากเข้าใจว่าเราจะเอานั้นไปได้เอานี่ไปได้เอาไปอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละตัวของเราพายืนเดินนั่งนอนอยู่เลี้ยงดูรักษาตั้งแต่เกิดมาจนบัรนี้ถ้าความตายมาถึงเข้าเอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกนี้ ข้อนี้ให้เตือนใจของเราไว้เพื่อตัดความลุ่มหลงมัวเมาในใจของตัวให้หมดไปสิ้นไปเมื่อจิตใจมาลู่แจง้งลู้จริงว่าเกิดมาไม่มีสมบัติอะไรติดมาได้หนังหุ้มตัวหุ้มกระดูกมาได้ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีจิตใจคลองมาเท่านั้นเอง ถ้าพรท่อนสบายไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวนั่ น, นแหละเมื่อเกิดมาทีแรกเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดมาใหญ่แล้วโลกสมมุติจิตมันหลงสมมุติของโลกอะไรอะไรก็มีแต่ความอยากได้อยากเป็นอยากมีตลอดไปไม่จบไม่สิน้นไม่ได้คิดถึงว่าเวลามนุษย์คนเราเมื่อเขาตายไปก่อนเราก็ดูเขาเขาได้อะไร เขามีโลกมีล้านมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไล่นาเขาหาบเขาหามไปด้วยหรือก็ไม่ได้เอาไปไหนมีโยที่ไหนก็ทิ้งไว้ในโลกนี้มนุษย์ที่เขายังมีชีวิตจิตใจอยู่เขาก็จัดการทำกันไปตามเรื่องเป็นธรรมดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายอย่างนั่นเองแต่มนุษย์คนเ่านี่แหละ มันมีเวลาฝึกฝนอบรมให้ดีขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอยากได้ดีแล้วมันได้อยากได้ดีเราต้องทำให้ดีปฏิบัติให้ดีรักษาศีลภาวนาให้ดีทำบุญทําทานให้ดีจิตใจไม่ว่าจะนึกโยที่ไหนไปที่ไหนก็ให้มีจิตใจอันนึกน้อมไปในทางที่ เป็นธรรมนองครองธรรมตั้งอยู่ในภาวนาธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดการการใดเวลาใดก็ภาวนาในใจอยู่อยู่ที่ไหนก็ตามมายาได้ประมาทเพราะว่าถ้าชีวิตของคนเราแตกดับลงไปบุญนั่นแหละจะพาไปไปดีก็บุญพาไป ไปชั่วก็บาปพาไปไม่ใช่คนอื่นใดจะพาไปได้ดีชั่วบุญบาปของตัวเองที่ประกอบกระทำอยู่ในโลกนี่แหละจะพาไปถละกิเลสหมดสิ้นไปบุญกุศลอันนี้เราก็จะพาไปสู่พระนิพพานที่ว่านิพพานังปละมังสุขขังนิพพานเป็นสุข ไม่ต้องไปคิดว่ามันหมดอย่างนั้นหมดอย่างนี้ฮมันหมดกีแเลดมันก็รู้ได้เข้าใจถ้ากิเลสในใจยังวุ่นวายอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นหละฉะนั้นในพากันตั้งอกตั้งใจยืนก็ภาวนาพุโทโธเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุโทโธไปเรื่องต่างๆที่ให้ฟุ้งซ่านลาคาญออกไปภายนอกอย่าไปพูดมากพูดมากปากเปียกไม่ได้เรื่อง ภาวนาพุโทโธในใจดีกว่าจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังสแสดง